ฟังทมกันนะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติที่พวกเรากำลังทำอยู่นี่โดยฟังในสิงที่เราได้ทา เราได้ทำชิ้นที่เราได้ฟังคือส่วนประกอบเพื่อจะได้สะดวกในการกระทาไม่หลังเลือสงงใยตัดสินใจตามที่ได้ยินเรามีครูอาจารย์มีพ่อพีแม่มีพระพุทธเจ้าพระทํามพระสงฆ์ ที่เป็นครูอาจารย์เราพระพุทธเจ้าเป็นโมลุมกรูเราก็เอาคำสอนที่พระพเจ้าสอนไว้มาแสดงมาทำมาพูดสู่กันฟังมาชวนกันทำเราก็ได้หลักได้ฐานมาพอสมควร เราก็ได้ศึกษาอะไรมาพอสมควรชีวิตของเราที่ผ่านมาเรียนรู้อะไรต่างๆประสบการณ์ชีวิตกับการเวลามาปาพอสมควรหรือว่าเป็นคนคงแก่เรียนกันมา แต่ว่ารูปนี้ดามนี้คือกายคือใจนี้มันก็เป็นเรื่องของรูปของนามของกายของจอยมันมีการเกะการเจ็บการตายเจอก็ไม่เกะเฉยๆมันทุกเก็บก็ไม่เก็บเฉยๆมันมีทุกตายก็ไม่ตายเฉยๆมันมีทุกที่มันเป็นภยัย ที่กขึ้นกับลูกองนามนี่ได้เกิดมาก็เอความแจกความตายมาพร้อมพร้อมเก็บมาพร้อมทุกคนเป็นอย่างนี้ตัดสิ้นใจหรือว่าพิพากษาตัดสินไว้แล้วเกิดมาหนึ่งคนก็ต้องตายหนึ่งคนเกิดมาสองคนต้องตายสองคน นอกจากนั้นล้วก็มีภัยอีกวาตภัยลมเป็นภัยต่อรูปต่อน้มนี่อุทุกกภัยน้มท่วมก็เป็นภัยต่อชีวิตของเราอีกอคกีภัยไฟไหม้ก็เป็นภัยอีกโจละภาย ที่เป็นอันตรายต่อชีวเราก็มีอยู่อีกนอกจากนั้นแล้วก็มีกิเลสตัณหาลาคาเผาล่นหรือว่าลาคาชีลาไป ค, คือล า, า, าอคาเผโทสะชีไฟคือโทสะเผาโมหะชีไฟคือโมหะมีในรูปในนามนี้ เราจึงไม่ควรประมาทในจุตใจกันเถอะมาดูบางคืออะไรกันแน่ทําอย่างไรใช้รูปเชิดล้อมให้มันเป็นใจการใช้ใจให้มันเป็นถ้าใช่เป็นก็เกิดประโยชน์าใจถูกต้องที่สุดก็เหนือการแก้การเก็บปันตเนอเหนือทุกข์เหมือโทษ ดอกราคาชีไฟทะชิโทสะชีได้เย็นลงซะจะได้คุ้มค่าชีวิตเราเกิดมานี่มีตัวอย่างมีผู้ทำเรื่องนี้มาสําเร็จแล้วสองพันหกรอยหนึ่งปีมาแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อ 10ปี20ปีมานี่เองไม่ใช่อย่างนี้นานมาแล้วเป็นหลักฐานรึดของคนเรามันมีมาตั้งหลายหมื่นหลายพันปีมาแล้วแล้วก็อันเดียวกันมีรูปวีนามรูปนามนี่ก็เหมือนกันหมดลักษณะที่เกิดขึ้นกับลูกก็เหมือนกันหมด ลักษณะที่เกิดขึ้นกับน้ํำก็เหมือนกันหมดพวกมันเกิดขึ้นเหมือนกันบางคนก็ถูกพัฒนาบางคนก็ไม่พัฒนาน้ำหมกผมลงปล่อยไอ้รูปเช่นน้ำเ ป, เปื่อยเปื้อนเลอะเทอะบางคนก็สาดบริสุทธิ์มีหลักที่ปฏิบัติต่อรูปตนน้ำอย่งที่เราหลงคนหนึ่งเขาไม่หลง สี่ที่เราทุกคนเดินเขาใหม่ทุกสิ่ที่เราร้อนกระบนก็วายคนเดินเขาเย็นแล้วมีในโลกนี้แน่นอนลองมาเึหิญกันดูมีสติเป็นเกณฑ์ชีวัตเป็นแม่ของลูกของงามก็ว่าได้ จะได้คุ้มครองรูปคุ้มครองงามถ้ามีสติก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดรู้จึกระลึกได้รูปนี่งามนี้ก็จะปลอดภยัยเหมือนกับลูกน้อยมีพ่อมีแม่ดูเลยกาลังเดยงจา๋าละอ่อนไว การจูงอาศัยพูดดูเด้อปลอดภัยได้เหมือนชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลเรามามีครูอาจารย์สั่งสอนเรามาได้ปลเรจากการใชชีวิตป บางทีเอาความเป็บวชเรียนเกิดความฉลาดบางคนก็ไม่เอามาเป็ปบวชเรียนกิดความงูทับลงปอยเสันความหลงก็ยังหลงกันอยู่ความโกรก็ยังโกกันอยู่ทั้งทั้งนี้มันไม่ถูกต้องนอกจะมีบทเรียนถ้ามีสติจะได้เจณฑ์ที่วัด สองฝั่งสองทางเป็นคู่กันในความหลงก็มีความไม่หลงในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ไม่น่าจะจนเรื่องดีถ้าเราศึกษาดีๆประสบการณ์บทเรียนได้จากธรรมชาติอาการที่เกิดกับลูกผมดำมันบอก ก็ได้ปัญญาจากรูกกังน้ำมันที่มันมีปัญหานั่นได้ปัญญาเพราะปัญหาที่มันเกิดกับรูกกับน้ำมันมาใช้การเรียนรู้จากภายนอกภนอกมันก็ยังมาใช้กับรูป ก, กับน้ำไมาได้ภาษารูปภาษานา้ำมันคนละภาษากัน เราบางพูดบางบอกกันมันก็เป็นภาษาหนึง่งเพื่อว่าความโกรธล้วก็เราก็เป็นคำพูดขั้นตอนเป็นงไงโกรธถะโกรธขึงเคียดโท้โทสะไล่กัดโอหะหลงม่รู ก็มีตำราบ อ, อกจาบนี้ก่อนที่จะกรดจะทุกข์มันเกิดความหลงก่อนที่เกิดความหลงเพราะไม่มีสติทำไมจึงไม่มีสติเพราะได้ประกอบทำไมไม่ประกอบว่าไม่รู้ทำไมไม่รู้ไปศึกษาเวลานี้ มันจะเลินแล้วเรื่องนี้เราศึกษาเรื่องนี้มันทันสมัยถ้าใครยังหลงยังโกรธยังทุกข์ยังโลภอยู่หรือว่าคนล้าสมัยก็ไม่หลงกันแล้วก็ไม่ทุกข์กันแล้ว เพราะเขามีสติเพราะเขาฝึกสติได้ใช้สติก่จะพูดจะคิดจะทําเขามีสติกนรถงพูดถงมาจากสติใช้ให้พูดการคิดก็สติใช้ให้คิ ด, าคดการกระทํำก็สติใช้ให้ทำํำก็เลยปลอดภยัย ไม่มีภยัยมดภยัยเรียกว่าอาริยะอริแบบวาา่าภัยก็ศึกไม่มีเพราะภาษาธรรมมันไม่ใช่ภาษาพูดธรรมเป็นแล้วเรามันหลงหลลู่เราหัดอย่างนี้ อลไรที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับใจที่ไม่ใช่สติมันจะต่างกันอยู่เราจึงมาฝึงหัดน่าจะชินสุดการเสวงหาที่ไหนๆใครๆที่ไหนก็ตามก็ต่ตอคือเรื่องนี้มีสติเป็นในกายมีสติเป็นในจิตใจมันก็คุ้มแล้ว ก็อยู่ที่ไหนก็มีสติกายก็อยู่ที่นั่นสติอยู่ที่นั่นจิตใจก็อยู่ที่นั่นก็ถือว่าเหมือนกับพ่อกับแม่จริงๆเรามีสะตีแล้วก็เหมือนกับคนมีพ่อมีแม่ไม่ต้องขอร้อง ว่าแม่จะคุ้มครองเองลูกน้อยไม่ต้องขอร้องให้พ่อให้แม่ช่วยเหลือพ่อแม่คุ้มครองป้องกันทุกวิถีทางหวงใยตลอดเวลาทุกของลูกยิ่งกว่าทุกของตัวคอยป้องกันอันตรายทั้งปวงนี่คือพ่อคือแม่ ธรรมะที่เราฝึกหนัดก็เช่นเดียวกันผู้ทำย่อบรรษาผู้ประพฤติทำอยู่เป็นนิดมันจึงปลอดภัยทำย่อบรรษาผู้ประพฤติทำให้ตกไปในที่ชั่วมันจึงปลอดภยัยธรรักษาสตริรักษาสติไม่ใช่สติธรรมดา เมื่อเสด็จง่วงงามในกายในใจกายเป็นศีนเป็นสมทีิเป็นปัญญาเป็นขบวนอย่างการขุดเกา่าหงการลื้อถอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกกำจัดออกกายเป็นขวนการองคงมรรคคิดถูก ดำหลีถูกผู้จอถูกการงานถูกเรื่องชีวิตถูกมีความภาคเพียรไม่ยอมถูกมีความตั้งสติไว้ถูกต้องมีการตั้งใจไว้ถูกต้องว่าเป็นขบวนการดำเนินชีวิตเป็น ทิศดีการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างปลอดภยัยอย่างไม่มีภยัยเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อพระศาสนาต่อเพื่อเกิดเป็นความมันทําขึ้นมาเมื่อมันอยู่ในคนมันจะเริ่ญอยู่ในคนคนมันมีกายมีใจมีวาจามีขามีแขน มีกำลังเกิดขึ้นเกิดความดีขึ้นจากคนคนที่มีธรรมนั่นมากมายแต่คนไม่มีธรรมก็เกิดการจิบหอยได้โลกนี้เราต้องมีภพอยเราเป็นคนดีไม่ทำบาปทำกรรมแต่คนที่ชั่วก็ยังมีอยู่เราจึงไม่ค่อยจะปลอดพลอย เราเดินทางมราชะเดินคนเดียวคนอื่นก็เดินอะไรก็เดินทางหลายๆชีวิตบางคนก็หลงบางคนก็ไม่บางคนไม่หลงบางคนก็ประมาทบางคนไม่ประมาทเพาะประมาทของคนอื่นมันก็เป็นพิษเป็นไฟต่อเราเพรไม่ประมาทก็มียังมาชวนกัน เื่อสร้างความดีให้เกิดขึ้นต่อรูปนี้นามนี้จนเรามีสติจะเป็นคนคนเดียวกันใคก็รักความชั่วยอยู่ทาความดีอยู่จิตบริสุทธิ์ต้องมีสติ แล้วความชั่วทำความดีจิตบริจุทธ์ก็เป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปรรัญญาศินกับคุ้มคลองสมาธิกับคุ้มคลองปัญญาคุ้มคลองตอนคนตองรู้แลตัวเองจีวิตของเราเมื่อก็มีจิตวิญญาณมี ไล้เบียบวินยัยมีสังคมไมีอาชีพเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องมันก็เป็นส่วนรวมถ้าคนเราไม่มีสติไม่มีจิตวิญญาณที่ดีแล้เบียบวินัยก็ไม่ดียังก็มีตัวบทคนหมายมีคุกมีตลาง เราคนไม่มีระเบียบไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญากฎหมายก็ยังเอาไม่อยู่คนที่หลงมากกว่าคนที่ไม่ลหลงเ่อนแรงคนโกจรังให้หลงมากคนบอกให้รู้ โสเปนดีมากกว่าหมอหนึ่งใบมุกมากกว่าโรงเยียาอาจจะเป็นคนพานมากกว่าบัณฑิตก็ได้ก็ไม่ชุมดุนกันเราจึงมานับหนึ่งจากเรานี่ก่อน ไวๆสักหน่อยมีกายมีใจมีสติดูแลตัวเองให้มันคุ้มมันจะเห็นทุกแง่ทุกมุมถ้าลามีสติตามๆพระเจ้าทร ง, งสอนไว้นั้นมีสติไปในกายเป็นไปะจอะไรเกิดกับกายก็เห็นจักว่ากายไม่ใช่จักรวัตุตนโลา ก็เสร็จไปแล้วงานกำลังเริ่มทุกคนแล้วอะไรเกิดกับกายแย่แยะแม่มงาเป็นตัวเป็นตนเห็นมีจิตนั่นก็คือจักธรรว่าเห็นความร้อนความหนาวเกิดขึ้นกับกายกับรูปนี้แล้วก็เป็นอาการที่เกิดกับรูปกับกณกายนี้ ว, ว, ว่าสัตธว่าเห็นแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง เกี่วจริงเราดีถูกต้องก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าคนบางคนไม่เห็นกายสัตวว่ากายเอาเรื่องที่เกิดกับกายเป็นทําให้เดือดร้อนจากตัวเองด้วยคนาเดือดด้วยมันจึงยังไม่เสร็จสุขทุกข์ที่เกิดขึ้น ก, ก, กับกายกับใจก็เห็นสักแต่ว่า นั่งนาง น, านาก็ปวดกว่าเมื่อยไม่ได้กินข้าวก็หิวข้าวมันมีจิตวิญญาณมันมีธาตุรูมันมีวิญญาณธาตุก็สักแต่ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นนั้นมันบอกสัญญาณภายัยก็เห็นแล้วเกี่ยวกับมันอย่างถูกต้องแล้วก็เสียดไปอีกแล้วสองอย่างแล้วเกี่ยวกับกายกับใจไปแล้ว ความคิดที่มันเกิดขึ้นมีในรูปนี้ดามนี้มันมีรูปมีนามมันมีความคิดเป็นทวารของกิจความคิดที่ไม่ตั้งใจก็มีความคิดที่ตั้งใจก็มีบางทีก็ถือว่าคิดคิดคิดไปเลยไม่รู้จักนามความเป็นจริงของความคิดไม่อยากคิดมันก็คิด หยุดความคิดไม่เป็นให้ความคิดพาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เห็นศักต่ ว, ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตอนหลกเขาไม่ควรจะให้ประมาณเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ออกมาให้มันเป็นพาเป็นสุขเป็นทุกข์กแต่ ว, ว่าจิตที่มันคิดมีสตินี่คือสอนจิตแล้วก็มีวิชากรรมฐาน กลับมาที่ต้องกลับมาดูกายเคลื่อนไหวมีสติเป็นในกายตั้งไว้นี้กลับมาจ้ะก็เสร็จไปแล้วอีกสามอย่างเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจนี่แล้วก็ทำที่มันเกิดขึ้นอีกมากมายนับไม่ท้วน ก็เป็วคนยึดมั่นถือมั่นสำคัญบั้นหมายจนเราเป็นจุขเราเป็นทุกข์เราพอใจไม่พอใจถอนออกมาจอย่าไปอยู่กับรถชาติที่มันแสดงออกทางรูปทางลามถอนออกมารู้จักตัวจักแต่ว่าธรรมจ้ะ วางลงทุกอย่างกายก็วางสุดทุกข์ก็วางจิตก็วางทใจก็วางลงเอาว่าสักแต่ว่าเป็นภาษาของสติไม่ใช่คำพูดผู้ที่ปฏิบัติมันก็รู้สึกตัวรู้แล้วรู้แล้วในสักแต่ว่านี่คือกายอากาศสองกายอาจจะอ่อนของใจ พุที่ปฏิบัติย่อมเห็นเองรอบสมบัติได้เองได้สอนตัวได้ได้สอนกายสอนใจเมื่อกายถูกสอนใจถูกสอนที่มันถูกต้องลงตัวถ้าจักแต่ ว, ว่าอะไรเกิดกับกายเกิดใจก็จักแต่ ว, ว่าจ้ะมันคืออะไรตรงนั้นมันมาอยู่ตรงนั้นแล้วมันพัฒนาไปแล้ว เป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปแล้วหลงที่ลอยลู้ที่นั่นการหลงเป็นความลู้เปลี่ยนหลงเป็นลู้มันคือละความชั่วมันทำความดีมันจิตบริสุทธิ์ตรงนี้เกิดเป็นศีลตรงนี้เกิดเป็นสมาธิปัญญาตรงนี้ด้วยศีลหยิบหาศีลทะลุงกิเลสถินไปสู่มรรคสุผลทำแบบนี้ไม่ใช่ศีลสมาทาน มีสติก็ไปอย่างนี้สัมผัสได้ดีตต ว, วันโตคืนขึ้นเดี๋ยวนี้โตขึ้นเดี๋ยวนี้งามขึ้นเดี๋ยวนี้ได้ประโยชน์เดี๋ยวนี้สัมผัสได้เดี๋ยวนี้หลังกิวิญญาณราวศักตะว่าศักตะว่าก็มันก็งามขึ้นแล้วมันไม่เหมือนเราปลูกข้าวปลูกพืชต้องรอกันการปลูกฉีดปลูกทำ ม, มันไม่รอ มันเป็นปัจจิตตังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีจะมีนิพพานก็ดีผ่านชิมลองเดี๋ยวนี้สักแต่ว่ากระแสเกิดกระแสแห่งพันิพานเกิดขึ้นแล้ววางลงแล้วพอาสัจธรรมว่ากายกระแสพระนิพานเวทนาที่เป็นสุขุพุทกแต่ว่าเวทนานกระแสพระนิพานยิ่งมันเชิดก็สักแต่ว่าจิต กระแสพรนิพพานส่งเส้ยงว่าลิบหลีแต่ว่าไปทางนั้นตามศัตว์ธรรานั่นล่ะมันก็บอกทางแล้วออกไปออกไปนี่การสอนกายสอนใจเพื่อจะไปสู่มรรสผลเหนือการกระใจเจ็บตายคือสอนอย่างนี้สอนตัวเองอย่างนี้แต่บางคนไม่ออกไปไม่วางลงซะเอาว่าเป็นตัวเป็นตน มีทิฏฐิเปในกายพิทิฏฐิไปในความคิดขอให้เกิดจิตนะไปอีกแบบหนึ่งไปทางลกูกถหลงเป็นหลงไปสู่ความเจ็บเกิดเจ็บเจ็บตอยอทุกข์เป็นทุกข์ก็ไปเกิดเจ็บเจ็บตอยถ้าโกรธเป็นโกรธก็ไปสู่การเกิดเจ็บเจ็บตอยถ้าหลงเป็นลูกไปสู่ความไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายมันแยกกันที่นี่ อันหนึ่งปรปทางสูงกับหนึ่งระทางต่ำเราจึงมาฝึงหัดเอาช่วยกันไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไปได้เจ้าก็ช่วยไม่ได้ยังมีพางหัวดื้อที่สุดคือพระฉันดพูดออกพระออกผนวดนายฉันนะ จะไหมพระเจ้าออกทรงประดวดกับหม่ากันท ก, กะพระเจ้าบวชแล้วฉันนก็บวชตามจะเป็นคนหัวดือ้ออ้างให้ต่อใครเยอะแม่พระเจาทีบวชพรงโมคันลานะพระอา น, นุ์พระอุบาลีพระอนุรุธทธะที่เป็น ญาติญาติกันหรือพระมหากรเจา ะ, จ ะ, ปะเป็นพระเถระพระสนก็ไม่ได้พรธเจ้าสอนก็ไม่ได้ก็มีคนแบบนี้ก็มีพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เอาอ้างางนี้ตลอดเวลาสารีวุตรอนพระเจ้าก็บอกใหฟังพระสารีบุตรพูดที่ใดก็สาธุพระสงฆ์ก็สาธุ ก็ฉันเนี่ยหึงเขรียดอยู่อ้างเป็นเจยหนาบดีอ า, า, าอกาศสวกใส่หัวใช่นี่มากลมขู่กันหรือเราเนี่ยพอออกบวชก่อนใครเลยที่หลังเราทั้งนั้นพวกนี้มีทิฏฐิมานะอย่างนี้ถือดันไปเนี่ยจนรู้เจ้าวันนี้ผ่านก็ยังมีทิฏฐิอยู่ เอสอสงประชุมกันจะทำอย่างไรกับพระฉันนะนี้พระพุที่จ้าบอกว่าปล่อยทิ้งซะอย่าบอกจะสอนอะไรเลยอย่าคบหาสมาคมให้เขาเด่งคนเดียวให้เขาเจ๋งคนเดียวพุทธเจ้าคนนี้ฟางไปแล้วพระสงฆ์ทิ้งเลยไม่บอกไม่สอนกูที่ไหนก็ให้เขาดีคนเ ด, เดียวไป รู้สึกกไปไม่ลอดอยู่คนเดียวไม่ได้พี่ย่าจังสอนไม่ได้ถ้าเราไม่สอนตัวเราตอนยังไงล่ะเนี่ยกวิชากรรมฐ า, านนี่ ว, ว, วิชาสอนตัวเองแท้ๆเลวเนี่ยจะปวดตัวองที่ยังหลอยเอาการเป็นสุขจังห้อยเอาใจเป็นสุขจังหรือเป็นทุกข์ยังหลายรู้ซะ สักแต่ ว, ว่าเนี่ไปกันแล้ ว, ลวนะกระเสวันนี้ผ่านเกิดขึ้นเ็าบางไปเบิกทางไ้แล้วเซเวไปแล้วเห็นทางไปแล้วอะไรก็ไปง่ายแล้ววันนี้อะไรผิดไรถูกเห็นแล้ววันนี้หลักได้ฐานมันเกิดกับกายกับใจดีไม่เกิดจากที่อื่นเห็นเหตุถึงไปใจ เกที่เหตุมาหน่อยมีสติอย่าไปหาความคิดบันคิดราเหตุผลเหตุไม่ใช่เหตุผลด้วยความคิดพบเห็นเป็นการพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นพบเห็นมัน มันไม่ต้องถามใครการคิดเห็นมันต้องถามขาหน้าก่อนเข้าใจเข้าใจเราเข้าใจเฉยๆแตยมันทําไม่เป็นไม่หลงตัวการพบเห็นมันสัมผัสเช่นความหลงกับความไม่หลงมันต่างกันอยู่จะบังคับไม่เหมือนหลงหรือความโกรธความไม่โกรธมันต่างกันอยู่จะบังคับอหไรมันโกรธหรือการบังคับตัวเองนมันบังคับไปได้ ผมเกิดตัวเองบั้นบาทบาทเป็นเกิดจากเรานี่ก่อนยึ่ไปเกิดครื่องคนอื่นก็เห็นอย่างนี้เดี๋ยวบอกพบเห็นอย่างนี้ก็หลีกแล้วว่นนี้ปล่อยแล้ววันี้ออกไปแล้ววันนี้หนีไปแล้ววันนี้นี่คือหนีความชั่วไปสู่ควกดีดี๋ยว่านักบวชผู้บวชผู้เห็นภยัย มันไปคิดผู้เห็นภัยถ้าผู้ใดเห็นภัยแล้วนี่ถือว่าเป็นมันไปคิดไปในวัฏฏะเกิดเจ็บเจ็บตายเดี่ยวประการอย่างไรอย <c oughs> ากเก็ทําได้นี่นะไม่ใช่ไปกลัวรอวันแกวันเจ็บ ว, วันตายมันเจิดเดี๋ยวนี้เกิดดับเกิดดับอยู่ดี่ เกิไรขึ้นที่กายที่ใจมันเกิดดับเกิดดับอยู่เดียหลงเกิดขึ้นเราก็เจอะตายไปก็หายไปแล้วหลงไม่ใช่ตัวตนความโกรธเกิดขึ้นมันก็เจอะก็ตายไปหายไปทำตามความโกรธเสียผู้เสียคนทมตามความทุกข์เสียผู้เสียคน้ําตามความรักก็เสียผู้เสียคนวางลงซะรู้จากตัวซะอย่าให้ฆ่ามัน เขาว่ารู้ดิไม่มีค่าแล้วมันหลงก็รู้ดิหลงไม่มีค่าแล้ววันทุกข์ก็รู้ดิทุกข์ไม่มีค่าแล้วมันโกรธก็รู้ดิโกรธไม่มีค่าแล้วเกิดอะไรขึ้นว้างก็รู้รู้ดิมันไม่มค่าเลยความรู้สักตัวไีเป็นใหญ่ในกายในใจเป็นลาชาธรรมเป็นธรมรมลาชาในกายในใจเขาว่าลาชาดิยินดี เรียกลองพอใจสัทธาทำอย่างนี้เหมือนดีอย่างนี้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นมาเรายืนไว้เนี่ยนมมีแต่ง่องนอนกันเออสองครเจอาเนะกับพระพร้อมกัน